แล้วก็ผมก็อยากให้คนที่ตอนเนี้ยเดินทางไปแล้วเนี่ยก็ให้แชร์ให้กับคนที่เขากำลังจะเริ่มเดินหรือกำลังจะเดินเนี่ยครับจะได้ไปด้วยกันอะไรก็ประมาณนี้ครับก็ก็มาถึงวันนี้ก็ก็ดีครับความรู้สึกของโยมความรู้สึกอ๋อเจ้าค่ะก็ไม่มีอะไรเจ้าค่ะคือ พอโยงฟังพระอาจารย์สแสดงธรรมแล้วอะค่ะยงรู้สึกซาบสึงใจมากแล้วมีแว บ, บขึ้นมาว่าถ้าพระพุทธองค์ยังทรงพระชนอยู่ท่งนคงสแสดงธรรมเช่นนี้เจ้าค่ะเป็นการสแสดงธรรมที่ฟังง่ายเจ้าค่ะไม่มีบาลีไม่มีสันสกฤตมีแต่การปฏิบัติตรงๆ เป็นคําสอนที่โยงฟังแล้วรู้สึกว่าออกมาจากดวงจิตที่บริสุทธิ์ล้วนๆคือทุกคําที่พระอาจารย์แสดงออกมามันตรงทุกมันตรงทุกคํามันเยีค่ะใช้คําว่ามันงดงามมากเจ้าค่ะหาฟังยากที่สุดแล้วพระพุทธองค์คงเรื่มปิติใจเจ้าค่ะว่าหลังจากกึ่งพุทธการไปแล้วยังมีพุทธสาวก พ่ะอริยะเจ้าพระอริยะสง์ที่ที่งดงามมากเจ้าค่ะคือเรียกง่ายเข้าถึงง่ายมากเจ้าค่ะคือก่อนหน้านั้นการเข้าพบครูบาอาจารย์สมัยรุ่นก่อนๆเนือนนเจ้าค่ะพระอาจารย์ที่มีชื่อเสียงจะเข้าพบยากมากโยมดีใจมากๆที่หน้าวันนี้เจ้าค่ะหลวงพระอาจารย์ได้เปิดตัวเจ้าค่ะ โยมปรารถนาเมื่อกี้ยังมีอธิษฐานจิตว่าขอให้คนที่เขาปรารถนาความพ้นทุกข์กับเจ้าค่ะขอให้เขาได้มีโอกาสได้ฟังพระอาจารย์สอนสักแสดงธรรมสักครั้งหนึ่งในชีวิตแล้วโยมมั่นใจเลยว่าผู้ที่ออฟัง y o u t u ู e หรือว่าหาครูบาอาจารย์นยในเมืองไทยเราเนี่ยเยอะมากผู้ที่ปรารถนาความพ้นทุกข์เนี่ย ยมสังเกตตามบรรดาอาลามทั่วๆไปเขาจะใช้เงินใช่ไหมเจ้าคะเป็นทานซึ่งเยอะมากทุกคนก็ปรารถนาความคนทุกข์แต่เขากับหาไม่เจอเมื่อกี้ยมมีตั้งจิตอธิษฐานว่าขอให้คนไทยและคนทั่วโลกทั่วจั ก, กรวาลที่ปรารถนาความคนทุกข์ขอให้ได้ฟังพระอาจารย์ ส, สัลสา แสดงธรรมที่ออกมาจากจิตอันบริสุทธิ์แล้วคำสอนของท่านรู้เลยว่าไม่ได้มาจากพาใจปิฎกไม่ได้ออกมาจากในหนังสือเล่มไหนๆแต่เป็นการแสดงออกจากดวงจิตอันบริสุทธิ์จากการประพฤติจากการปฏิบัติจริงๆแล้วเป็นการแสดงธรรมที่ฟังง่ายมากเจ้ค่ะ โยมก็ฟังธรรมมาเยอะมากคือปฏิบัติตั้งแต่อายุสิบแปดแต่โยมก็เลยมาสรุปกระป๋ากับคุณกิติกับคุณอิ๋วว่าเป็นคำสอนที่ฟังง่ายที่สุดปฏิบัติตามได้ง่ายที่สุดขอให้แค่มีความเพียรเะคะมีความเพียรอย่างเดียวเท่านั้นเองถ้าเราปรารถนาความค้นทุกจริงๆนะคะไม่มีอะไรเจ้ค่ะปิติใจแล้วก็อยากให้พระอาจารย์ แสดงธรรมอย่างนี้ไปตลอดขอให้พระอาจารย์มีทาา่าขันที่สมบูรณ์แข็งแรงออได้เป็นล่มโผล่ลมใส่สืบท่อพระพุทธศาสนาให้ยั่งยืนสืบต่อไปอย่างเช่นปนิธานของพระพุทธองค์ที่ท่านตั้งไว้ว่าขอพระพุทธศาสนาของเรามีอายุครบ5้า0ันปีซึ่งวันนี้ก็ภูมิใจมากๆว่ามีกัลยาณนะมิตรกัลยาณธรรมญาติธรรม ที่มีบุญมา ก, มากๆที่ปรารถนาความพ้นทุกข์นั่มาฟังธรรมของพระอาจารย์สอนละสตรษษ์เจ้าค่ะขอคอนเฟิร์มว่าเป็นคําสอนที่ตรงที่สุดลัดสั้นที่สุดขอให้ผู้ที่ปรารถนาความพ้นทุกข์ให้ตั้งใจนำผ้าทำคำสอนที่พระอาจารย์นํามาแสดงให้เราอ่ะเจ้าค่ะให้มีความเพียรต่อไปจ้าค่ะก็คงจะเข้าใจนะที่ <c oughs> บอกว่ายังยังติดผู้รู้ยัง ยังเหลือผู้รู้อยู่ยังยังหลงผู้รู้อยู่แต่จะพูดเสริมอีกสักหน่อยผู้รู้ผู้หลงอันนี้เราก็ไม่ต้องไปทําอะไรมันหรอกแค่ดูมันเฉยเฉยรู้มันเฉยเฉยอย่างเดียวนี่แหละคนก็มีคนเยอะมันกันอีกที่มามาบอมามาม า, มาว่าเออเรารู้เฉยเฉยดูเฉยเฉยมันจะไปละกิเลสได้ยังไง ที่มันละกิเลสได้คือเราไม่เข้าไปเป็นกิเลสกับมันแค่รู้ชี้เฉยมันจะไม่เข้าไปเป็นกิเลสกับมันนะมันจะอยู่ตรงกลางจิตมันจะเป็นกลางแต่ถ้าเราไม่ไม่รู้ชี้เฉยมันทุกมาเราก็เข้าไปเป็นความทุกข์กับมันมันสุขมาเราก็เข้าไปเป็นความสุขกับมันมันว่างเราก็เข้าไปเป็นความว่างกับมันมันเฉยแล้วก็เข้าไปเป็นความเฉยกับมันนี่คือเราเราไม่ดูเฉยเฉยเราไม่รู้เฉ้เฉย เราเข้าไปเป็นอันนี้คือเข้าไปเป็นเข้าไปเป็นมันก็มีเราอยู่ในการเข้าไปเป็นนั่นแหละวิธีทําก็คือทําแบบนี้อ่ามันว่างก็รู้เฉยเฉยอ่ามันเฉยก็รู้เฉยเฉยมันสุกก็รู้เฉยเฉยมันทุกข์ก็รู้เฉยเฉยอย่าเข้าไปว่างกับมันอย่าเข้าไปเฉยกับมันอย่าเข้าไปสุขกับมันอย่าเข้าไปทุกข์กับมันนี่คือวิธีวิธีที่จะทําลายตัวตนนทําลายตัวตนทํำลายผู้รู้อะไรก็ว่าไป นกะมันก็มีอยู่แค่นี้แหละจะทับแทรุดูเฉยๆรู้เฉยๆไม่เข้าไปเป็นอะไรกับมันอ่ายอมรับตามที่เขาเป็นไม่เข้าไปแทรกไปแซงไม่เข้าไปแก้ไปไขทำมาฆ่าเขาเป็นยังไงก็รู้ตามที่เขาเป็นยอมรับตามที่เขาเป็นนี่แหละคือวิธีทําแค่ น, นี้มันไม่ได้มีอะไรมากรเราไม่ต้องไปสอนไปบอกไปนั่นอะไรมันจะให้มันปล่อยมันวางอย่างนี้มันมันไปบังคับไม่ได้หรอกนะ ของเขาจะปล่อยเขาจะวางของเขาเองอ่านี่ธรรมชาติที่เขาจะเป็นเองเขาจะปล่อยเองวางเองใชามันรู้เห็นตามความเป็นจริงแล้วมันมันยังไงมันก็ไม่ยึดไม่ถือแล้วมันวางของมันเองแต่นี่มันยังไม่อิ่มเนี่ยมันมันยังไม่วางเลยจับใจที่มันยังไม่อิ่มนะสมเหมือนกินข้าวยังไม่อิ่มจับใจมันก็ยังไม่วางการเข้าอยู่ไม่ก็จะกินจนอิ่มนั่นแหละแบบเดียวกันนะมันก็ทําไปเรื่อยๆรู้ที่เฉยไปเรื่อยๆอดู่เฉยๆมันไปเรื่อยๆอย่างนี้แล้วมันจะเป็นของมันเองนะ ไม่ต้องไปรีบร้อนไม่ต้องไปว่าเมื่อไหร่มันจะเป็นสักทีเมื่อไหร่มันจะวางสักทีไม่ต้องไปแทรกแซงไม่ต้องไปอะไรทั้งนั้นไม่ต้องไปวิพาควิจารณ์แค่ดูเฉยๆรู้เฉยๆอย่างเดียวแล้วจะหมดตัวหมดตนเองเพราะไม่ได้เข้าไปเป็นอะไรรู้เฉยๆคืออยู่ตรงกลางไม่มีเราอยู่ในการรู้เฉยๆอย่างนั้นะต่อไปแล้วมันจะเฉยโดยหลักธรรมชาติของมันรู้อันนี้มันจะเฉยโดยหลักธรรมชาติของมัน มันจะไม่สุกมันจะไม่ทุกขนะมันจะไม่ชอบไม่ทงทังมันจะเฉยเนี่ยเฉยรู้เฉยเฉยเพรามันเองทีนี้มันจะเป็นโดยธรรมชาติของมันนะมันจะเป็นธรรมชาติต่อไปนะ